ถ้าฝุ่งซ่านจิตจะกระโดดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้สเปะสปะแต่ถ้าเป็นตรึกนึกจิตจะจดจ่อกับเรื่องเดียวแล้วยังแยกออกไปได้อีกคือจดจ่อแบบแช่อย่างไรจุดหมายไปเรื่อยๆโดยปราศจากที่สิ้นสุดชัดเจนกับจดจ่อแบบคิดรอบด้านเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเอาคำตอบสุดท้ายแล้วหยุดตรึกนึก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 เมื่อเห็นอาการที่จิตจำคนรักได้ความจำนั้นก็ดับลงทันทีกลายเป็นอาการกำหนดสติค้างๆคาค า, า, าปราศจากเป้าหมายฉันก็เอาสติกลับไปรู้ลมหายใจต่อว่ากำลังออกหรือเข้าพอรู้ลมหายใจสบายๆพักหนึ่งเมื่อลมหายใจเริ่มอ่อนกลายเป็นหายใจสั้นเข้าอาการฟุ้งซ่านก็กลับมาอีก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 ลักษณะตรึกนึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจะรักษาความรู้สึกจำได้เอาไว้ส่วนที่ว่าสัญญาจะแจ่มชัดหรือมาลังมาเลืองครึ่งครึ่งกลางๆ ก, ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตคุณภาพของอาการตรึกนึกว่าดีเพียงใดในคนธรรมดาสัญญายิ่งชัดความรู้สึกเกี่ยวกับอัตตาตัวตนก็จะพลอยชัดตามไปด้วย แต่ถ้าพลิกกันด้วยสติของผู้เจริญภาวนาสัญญายิ่งปรากฏชัดเท่าไรความดับไปของสัญญาก็ยิ่งปรากฏชัดเท่านั้นตามไปด้วยแล้วเมื่อมีความเพียรเห็นความดับของสัญญาชัดเจนหลายครั้งเข้าสติญญที่รู้เห็นนามธรรมาก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกทีตรงที่เกิดความเห็นชัดว่าเมื่อใดสัญญาเกิดเมื่อใดสัญญาตั้งอยู่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 พยับแดดย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงผู้มีดวงตาทั้งหลายพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยกคายเมื่อเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยกคายพยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าสาระในพยับแดดมีอยู่เพียงใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีสาระอยู่เพียงนั้น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 หากฉันมีความเครียดหรือคลื่นพายุ ฟ, ฟุ้งยุ่งฉันจะไม่ใช้อุบายอื่นใดนอกจากปล่อยให้ระลอกหนักเบาของความเครียดและคลื่นความคิดฟุง้งปรากฏตัวตามสบายฉันมีหน้าที่เพียงนั่งเฝ้ามองทุกๆุกอาการทั้งที่หนักมากและหนักน้อยผ่านมาแล้วผ่านไปแค่แน่ใจว่าเห็นสภาพหนักแปลเป็นเบาเบาแปลเป็นหนักเกิดขึ้นแล้วดับลง